50 languages. ที่สวนสัตว์จียวสวนสัตว์อยู่ที่นั่นจยรยีราฟอยู่ตรงนั้น จระฟอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ไหนปลาลูกิดเท่ช้างอยู่ที่ไหนหัททิกิดเทงูอยู่ที่ไหนสัตวิดเทสิงโตอยู่ที่ไหนเสือิดเท่ ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป Miracle อีกแคเมราาดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย Miracle อีิเน่แคเมรวีแฮดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนแบตเตอรี่คิเท่ฮ่นกเพนกวินอยู่ที่ไหนิเท่น จิงโจ้อยู่ที่ไหนกังการุคิเหตุฮนะแรดอยู่ที่ไหนเกนเดคิเหตุฮนห้องน้าอยู่ที่ไหนปะขนาคิเหแฮะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นโอเทอิกกาฟแมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น โอทีอิกรีสอร์เรนต์เฮ่อูดอยู่ที่ไหนูดคิทเทเกอโลีลาและม้าลายอยู่ที่ไหนกุรีล่าอติเซบราคิทเทเเสือและจระเข้อยู่ที่ไหนบกยาดอติมักรมัชิท